มีอะไรพาเพื่อนมามีอะไรอยากจะถามอยากจะรู้ไยอถามมาเลยถามได้นะถ้าอยากจะรู้อะไรไเรื่องที่ควรรู้ก็คือเรื่องของเราเนะี่ยที่เราไม่รู้เรารู้เรื่องของคนอื่นมากมาย เเขาสอนให้เราเรียนรู้เรื่องของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เรื่องของเรานี่เรากลับไม่รู้เรื่องของเราเองว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราเป็นร่างกายหรือเราเป็นใจหรือเป็นอันเดียวกันร่างกายกับใจเป็นอันเดียวกันหรือคนละอัน เรื่องของเราเวลาร่างกายเราเป็นอะไรไปเราทำอย่างไรทำไมเราต้องไปทุกกับร่างกายทำไมต้องไปเดือดร้อนกับร่างกายเวลาร่างกายอดอยากขาดแคลนเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย เราทำไมต้องไปเดือดร้อนกับมันเพราะเราเป็นมันใช่ไหมเราถึงเดือดร้อนถ้ามันไม่ได้เป็นเราเป็นไม่ได้เป็นของเราเราก็คงไม่เดือดร้อนเรอร่างกายของคนอื่นเขาจะเป็นอะไรเราไม่เห็นเดือดร้อนคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายจะอดอยากขาดแคลนจะ ทุกทรมานอย่างไรเราไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเราถือว่าเขาไม่ได้เป็นร่างกายของเราไม่ใช่ตัวเราแต่ร่างกายของเรานี้เราถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอมันเป็นอะไรเราก็เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้มันเป็น ร่างกายของคนอื่นเราไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีความอยากไม่ให้มันเป็นร่างกายคนอื่นเป็นอะไรก็เป็นไปสิเป็นเรื่องของเขาเราไม่มีความอยากให้เขาไม่เป็นเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปมีความอยากให้เขาเป็นไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ความเดือดร้อนของใจเราอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเรามาสอนใจว่าอย่าไปอยากกับร่างกายของเรานี้มันก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นมันก็ไม่ได้เป็นของเรามันมาจากที่เดียวกันร่างกายของเราทุกคนนี้มาจากแหล่งเดียวกันมาจากโรงงานผลิตอันเดียวกันโรงงานผลิตรถยนต์รถยนต์ทุกคันนี้ออกมาจาก แต่งเดียวกันเชื่อไหมว่าร่างกายของพวกเรานี่มาจากที่เดียวกันมาจากดินมาจากน้ำมาจากลมมาจากไฟมาผสมปรุงแต่งกันเป็นเหมือนขนมขนมเค้กนี่ไม่ว่าจะทำจากร้านไหนก็ทำมาจากแป้งทำมาจากนมทำจากน้ำตาลจากไข่ จากเงยเอามาปนกันเอามาคลุกกันแล้วก็เอาไปอบกันเอาความร้อนใส่เข้าไปมันก็กลายเป็นขนมขึ้นไงบางอย่างก็เอาไปต้มบางอย่างก็เอาไปทอดมันก็เหมือนใส่ไฟแล้วก็ออกมาเป็นขนมหลากหลายชนิดต่างกัน แต่มันก็มาจากแป้งมาจากน้ำตาลมาจากส่วนผสมอันเดียวกันร่างกายของพวกเราทุกคนก็มาจากน้ำที่เราดื่มเข้าไปน้ำต่างๆไม่ใช่แต่เฉพาะน้ำเปล่าน้ำต่างๆที่มีอยู่ในอาหารน้ำแกงน้ำอะไรต่างๆก็เป็นน้ำ แล้วส่วนดินก็เป็นพวกผักพวกข้าวพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็มาจากดินนะต้นข้าวมันปลูกที่ไหนต้นผักมันปลูกที่ไหนมันมาจากดินเนี่ยเป็นดินเรากินดินกันรู้ว่เพรากินข้าวเนี่ยนี่มันเป็นดินละเอียดถ้าดินหยาบกินไม่ได้เนี่ยลองไปขุดดินขึ้นมากินกินไม่ได้ ต้องอาศัยต้นข้าวมันกรองดินให้มันละเอียดต้นข้าวนี้จะค่อยๆอดูดดินเข้าไปในต้นข้าวจนกลายเป็นรวงข้าวขึ้นมาแต่จะเป็นรวงข้าวได้นอกจากดินแล้วก็ยังต้องมีน้ำถ้าไม่มีน้ำต้นข้าวก็ไม่โตถ้าไม่มีอากาศให้มันหายใจมันก็ตายเหมือนกัน ต้นข้าวก็ต้องการอากาศส่วนผสมอากาศก็ลมเนี่แล้วก็ต้องการแสงแดดต้องการความร้อนถ้าไปปลูกในที่มีหิมะอย่างเงี้ก็ปลูกไม่ขึ้นที่มีหิมะนี่มีน้าแต่น้าเป็นน้าแข็งไม่ใช่เป็นน้าเหลวแล้วก็ไฟไม่มีไฟไม่มีมันน้าจึงแข็งขึ้นมา ถ้ามีไฟน้ำก็จะละลายมีความร้อนเนี่ยเรากินดินกินน้ำลมก็หายใจเข้าออกนี่ไฟก็มีสองส่วนไฟจากแสงอาทิตย์จ่ายไฟจากความร้อนต่างๆแหล่งความร้อนต่างๆและไฟจากอาหารที่เรากินเข้าไปอาหารพอเข้าไปในร่างกายมันก็ มันก็รวมกันก็เกิดไฟขึ้นมาเกิดความร้อนขึ้นมาทำให้ร่างกายเราอบอุ่นถ้าไม่มีอาหารร่างกายก็ไ ม, ม่สามารถที่จะมีชิ้นส่วนต่างๆได้ชิ้นส่วนต่างๆที่เรามีกันนี้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเคยเห็นเคยรู้เรื่องร่างกายของเราม้างไหมรู้เรื่องของคนอื่นเต็ไมไปหมดนะเรื่องของเราเคยเห็นส่วนต่างๆของร่างกายเราบ้างไหมเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นหัวใจเห็นลำไส้ เห็นก็แค่เฉพาะที่เราส่องกระจกดูเท่านั้นเองเห็นแค่หนังคุ้มคุ้มกระโหลกศรรีรษะกระโหลกศรรีรษะก็มองไม่เห็นเพราะมันมีหนังมีเนื้อบางๆคุ้มปิดไว้เราไม่รู้จักร่างกายของเราเราไม่รู้จักตัวเราว่ามันเป็นอะไรแล้วเราก็ มาวุ่นวายมาทุกข์กับมันแล้วเราเป็นใครเราเป็นร่างกายหรือเราเป็นคนรู้คนคิดใครเป็นคนเรารู้หรือเปล่าเรารู้ใช่ไหมเรารู้ร่างกายนี้เราคิดได้ใช่เราคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ คนที่คิดคนที่รู้นี่กับร่างกายนี่มันคนเดียวกันหรือเปล่านักปัญญาศาสตร์กังวังเลยเขาว่าคนเดียวกันนะใช่ไหมเขาเขาว่าความรู้มากับสมองอ่าสมองก็มาจากร่างกายความคิดก็มาจากร่างกายเขาไม่เชื่อเรื่องใจอแต่ถ้าเ้ามีจิตเวท ก็บอกว่าเป็นสารเคมีในสมองอีกครัอ่าสารเคมีทําให้คนเป็นบ้าได้ทําให้คนเป็นนักป่าดได้อ่าอยู่ที่สารเคมีนะะอสารเคมีมันก็ดินไม่ใช่มันก็ดินน้ำล ม, มไอเด่นน้ำล ม, มไฟทําให้คนเป็นบ้าก็ได้ทําให้คนเป็นคนฉลาดก็ได้อถ้าเป็นสารเคมีร่างกายตากก็ ก็หมดเลยเขาก็เลยไม่ต้องรักษาศีลกันไม่ต้องเขาไม่กลัว บ, บาปกันะเขากินเหล้ากันสนุกกว่ากินเหล้ากันแล้วก็ประพฤติผิดประเวณีกันสมัยเนี้พวกนักวิทยาศาสตร์พวกที่ไม่เชื่อว่ามีจิตมีใจมีดวงวิญญาณ น, นี้่ค่ดว่าตายแล้วก็ศูนย์ งันขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องทำบาปให้เต็มที่เพราะทำบาป้วมันสนุกที่ที่ทากันเพราะมันสนุกอ่ะพอเพืดอผิดประเวณีจินเหล้าเมายาเสพยาเสพติดกัน <c oughs> นี่คือทัศนิทัศนคติของคนที่คิดว่า มีแต่ร่างกายพอร่างกายตายไปก็ไม่ต้องไปรับผลอะไรต่อจากการกระทาเรื่องอะไรไปทาความดีให้มันเหนื่อยเรื่องอะไรไปรักษาสีให้มันเหนื่อยเรื่องอะไรมา <c oughs> มาปฏิบัติธรรมานั่งเฉยๆกันแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับมาอยากจะปฏิบัติธรรมกันนะ้ะเพราะมี คนไปพิสูจน์ไปทดลองนั่งสมาธิกันดูแล้วเห็นว่ามันดีดีกว่ากินยารักษาความเครียดได้ดีกว่าการกินยากินยาแล้วก็ไปติดยาเวลาเครียดก็กินยากินแล้วก็ติดยาเวลาไม่ได้มียากินก็เครียดเอกกินยาก็ กินยาก็มีโทีกเดี๋ยวร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยจากการกินยามากเกินไปการที่ไม่รู้ความจริงเลยทำให้ทำอะไรที่มัน คิดว่าเป็นคุณกับการเป็นโทษขึ้นมาที่ทําบาปกันที่เดื่มสุรากันที่ประพฤติผิดประเวณีกันก็เพราะคิดว่าทําแล้วมีความสุขกันแล้วมันเป็นความสุขแบบไหนเป็นความสุขที่ต้องคอยตะเกียกตะกายตะคุบอยู่เรื่อย อยู่เฉยๆเมื่อไหร่ก็ทุกขึ้นมาทันทีพอไม่ได้เดิมสุราไม่ได้เสพยาไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีก็เครียดขึ้นมาก็ต้องเสพต้องประพฤติผิดประเวณีแล้วก็มีปัญหาต่างๆตามมาเยอะแยะไปหมด เจ็เวลาเศษยาเสษติดก็ทำให้สุขภาพย่อมแยเสษมากมากว่าตายตายก่อนวัยไม่เสพก็ไม่ได้ไม่เสพก็ท ร, รมานใจเสษก็เสษก็ก็ทำให้ร่างกายตายเร็วขึ้นเจ็บเร็วขึ้น ก็เลไม่รู้จักว่าจะทายังไงดีทําทุกอย่างก็เพื่อห น, นีความทุกข์กันอยู่เฉยๆก็ทุกข์อยู่เฉยๆก็อยู่ไม่ได้ทุกข์ก็เลยต้องไปทาอะไรให้มันหายทุกข์ก็ไปดื่มสุรากันไปประพฤติถิดประเวณีกันไปเสพยาเสพติดกันไปเที่ยวไปทาอะไรบ้าบอข้อแตกต่างๆ ทาแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวขึ้นมาไปปีนเขาบ้างไปทำอะไรต่างๆที่ทำกันแล้วเดี๋ยวก็ขาหักแขนหักกันอยู่เฉยๆไม่ได้คิดว่าต้องทํานู่นทนํานี่ถึงจะมีความสุขพอทําไปแล้วก็เจ็บตัว ไม่เจ็บก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็เจ็บตัวขึ้นมานี่สาหรับคนที่มีเงินมีทองแต่คนที่ไม่มีเงินมีทองก็ต้องตะเกียกตะกายไปหาเงินก่อนไปทำงานก่อนทำแล้วก็พอมีเงินก็ไปซื้ออะไรต่างๆ ไปเที่ยวกันไปทําอะไรกันแล้วหาทองก็บางทีก็หาแบบแบบทําให้คนอื่นเ็าเดือดร้อนอยังไปโกงไปขโมยทรัพย์ของคนอื่นแล้วเดี๋ยวก็ติดถูกจับติดคุกติดตาราง หรือไปทําธุรกิจอะไรก็บางทีไปแกลงแย่งกันก็ฆ่ากันอีกวิธีดับทุกวิธีที่ทําให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆไม่ได้นก็เลยต้องไปทําอะไรต่างๆเพื่อให้มันสุกกันก็กลับกลายเป็นไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาอะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆ วุ้นวายกันไปหมดอยู่กันเดียวไม่ได้ก็ต้องไปมีคู่ครองพอไม่มีคู่ครองก็ต้องไปมีลูกอีกก็ต้องเลี้ยงลูกกันอีกแล้วก็ทะเลาะกันบางวันก็ดีกันบางวันก็ทะเลาะกันไม่เห็นจะมีความสุขเลยสู้อยู่เฉยๆกับไม่อยู่กัน อยู่ความสุก็ไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่ต้องมีเรื่องกับใครไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีอะไรกับใครถ้า อ, อยู่เฉยกินข้าววันละมื้อได้นี่โอ้สบายร่างกายไม่ต้องการมากกับ อ, อาหารหนึ่งมื้อหรอกกินมื้อเดียวมันก็อยู่ได้แล้วนะกินอาหารวันละมือ้อมีที่ อาศัยอยู่หลบแดดหลบฝนได้มีเสื้อผ้าสักสองสามชุดแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆไปได้ก็หมดปัญหาแล้วสบายจะตายเลยไม่ต้องไปเหนื่อยกับการหาเงินหาทองหามาแล้วก็ต้องเหนื่อยกับการใช้เงินใช้ทองอีกแล้วเดี๋ยวเกิดหมดก็เดือดร้อนอีก พอเคยใช้แล้วมันติดแล้วพอไม่ได้ใช้มันก็เดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดก็วิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยอใ น, นพระพุทธรูปเนี่ยท่านนั่งเฉยๆทั้งวันทั้งคืนท่านไม่มีต้องมีอะไรเนี่ยเขาจะเอาสอนให้พวกเรากินวันละมือ้อแล้วก็อยู่เฉยๆ ไม่ต้องไปมีลูกมีเมียไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีรถยนต์ไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือไม่ต้องมีอะไรต่างๆขอให้มีแค่เสื้อผ้าสองสามชุดไว้ใส่ไว้เปลี่ยนก็พอละมีข้าวกินวันละมือ้อมีที่หลบแดดหลบฝนได้ที่ปลอดภัยจากภัยต่างๆส่วนยาก็รักษาไป เดี๋ยวนี้เขาก็มีสามสิบบาทรักษาทุกโรคสบายอยู่แล้วก็มีแค่นี้ก็ถ้าทําอย่างนี้ได้กลับมีความสุขกว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านเยกลับมีความสุขกลับเป็นใหญ่เป็นโตกลับมีความสุขกับมีแฟนมีครอบครัวมีลูกมีเต้าเนี่ยความจริง ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตัวเราเอ ง, เองนี่แหละอยู่ที่การอยู่แบบเฉยๆนี่แหละถ้าเราอยู่เฉยๆได้เราก็ไม่ต้องใช้เงินกันนะออกจากบ้านก็ต้องเสียเงินนะอยู่ไม่ได้อยู่บ้านเหมือนติดคุกติดตารางบ้านมีไว้เพียงเวลานอนเท่านั้นเอง เวลาหลับเวลานอนเวลาเหนื่อยจากการไปทำอะไรต่างๆมาก็กลับมานอนพอหายเหนื่อยตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกอีกแล้วทำไมไม่อยู่กันเฉยๆแสนจะสบายปลอดภัยไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับรถลาท้องบุญท้องถนนไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับคนมิจฉาชีพต่างๆ เพราะไม่มีใครสอนเนะนี่ยวันนี้เรามาสอนให้อยู่แบบนี้กันนะลองอยู่ดูสิลองหัดกินข้าววันละมือ้อเอาเสื้อผ้าสัก ส, สองสามชุดก็พอแล้วก็บังคับให้อยู่บ้านไม่ต้องไปไหนหางานที่ชนิดว่าทำเดี๋ยวนี้สมยัยนี้ทำงานที่บ้านก็ได้หรือทำงานแบบพอ พอมาพอพอซื้อค่าอาหารได้ไปวันวันก็พอละจ่ายค่าอาหารไปวันวันนะก็ไม่ต้องทำมากไม่ต้องทำมากไม่ต้องเหนื่อยมากเราอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องไปทำนู่นทำนี่กันต้องมีนู่นมีนี่กันก็เลยต้องดิ้นรนกัน ได้มาก็รักก็หวงอีกได้มาแล้ว ก, ก็ต้องมีต้องเก็บไว้ต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆวันไหน<ม>คือไหนเขาไปจากเราก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ถ้าอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียเขาจะบอกให้อยู่กับความว่าง คำว่าคำแปลว่าไม่มีไงการไม่มีอะไรเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเรจะเสียอะไรได้ไหมที่เราเสียก็เพราะเรามีกันมีสามีมีภรรยาเดี๋ยวก็เสียสามีเดี๋ยวเสียภรรยาไปมีลูกมีเต้าก็เดี๋ยวก็ต้องเสียลูกเต้าไปมีเงินมีทองก็ต้องเสียไปมีอะไรก็ต้องเสียไป อยู่แบบไม่มีแล้วสบายใจกว่าอยู่แบบขอทานนี่แหละเป็นวิธีอยู่ที่สุขที่สุดขอทานเนี่ยเขาสุขที่สุดถ้าเขาพอใจกับสถานภาพของเขาเ็นแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขานะมีสถานภาพที่ดีที่สุดเขาก็ยังตะเกียกตะกายอยากล่ำอยากรวยอยากมี น, นู่นมีนี่เหมือนกับคนอื่น แ ต, แต่ถ้าก็ารู้ความจริงว่าการอยู่แบบขอทานนี่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่แบบขอทานท่านตอนที่ท่านบําเพ็ญ น, นี่ท่านไม่มีกุติไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามป่าอยู่ตามเงื่อนผาอยู่ตามเรือนร้างอยู่ตามถ้ำ ที่ไหนก็ได้พอหลบแดดหลบฝนได้ถ้าไม่มีทรัพสมบัติไม่มีใครมาป้นมาที่หรอกถ้ามีบาตรใบเดียวไว้สำหรับไปบินบาตหาอาหารมารับประทานมาันละมือ้อขอทานบาตรก็เป็นเหมือนกับขอทานใช้ใช้ขันหรือใช้กระป๋องเนี่ยวางไว้ข้างหน้าคนเดินไปเดินมาเขาสงสารเขาก็ ใส่เงินให้ของพระพุทธเจ้าท่านก็เดินไปในหมู่บ้านถือบาทไปก็ไม่ได้ขอใครเดินไปเรื่อยๆใครเมตตาสงสารอยากจะทำบุญทําทานก็ใส่าอาหารให้พอได้อาหารพอเพียงก็กลับไปที่พักฉันเสร็จก็นั่งเฉยๆอยู่เฉยๆอยู่กับที่ไม่ไปทำอะไร เดินจงกรมท่านนั่งแล้วเมื่อยก็เดินเดินก็เลยกว่าเดินจงกรมเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้นั่งหรือเดินแบบพวกเราท่านนั่งนั่งหรือเดินด้วยการควบคุมใจควบคุมความอยากต่างๆเพราะถ้าไม่ควบคุมความอยากก็จะนั่งจะเดินอย่างเดียวไม่ได้จะอยากดูอยากฟัง อยากไปนู่นอยากมานี่ขึ้นมาก็ต้องไปกันที่พวกเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ก็เพราะอยากกันอยากดูบ้างอยากฟังบ้างอยากลิ้มรสบ้างอยากดมกลิ่นบ้างอยากสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ถ้าเราคอยควบคุมความอยากเหล่านี้ได้เราก็ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปดื่มไปรับประทานอะไรเดื่มก็เดื่มตามความต้องการของร่างกายเดื่มน้ำเปล่ารับประทาน ก, ก็อาหารวันละมือ้อร่างกายก็อยู่ได้นะไม่จำเป็นจะต้องดื่มต้องรับประทานอะไรอีกจนกว่าจะถึงวันลุ่งขึ้นวันต่อไป ถ้าอยู่แล้วควบคุมความอยากได้ก็สบายที่อยู่แล้วอยู่แล้ววุ่นวายอยู่แล้วทุกข์เดือดร้อนเครียดกังวลกังวายกระสับกระสา่ายก็เพราะความอยากอยากไปทุนนะักอยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทำนี่อยากจะไปดูนั่นอยากจะไปดูนี่ให้นั่งเฉยๆก็ไม่มีความสุขทั้งที่อะไรจะสุขเท่ากับการนั่งเฉยๆไม่มีห นั่งเฉยๆนี่สบายที่สุดนะถ้าไม่เช่นนั้นก็นอนก็ไดนะ้แต่ถ้านอนพอแล้วก็อยากไปนอนมันก็ไม่นอนอยู่ดีนอนก็นอนไม่หลับแต่นอนได้เอ็นหลังได้เปลี่ยนเอิริยาบถได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วสบายจะตายไปกินมื้อเดียวพอแล้วแล้วก็ดื่มน้ําไป แล้วก็จะมีความสุขด้วยที่มันทุกกันก็เพราะความอยากนี่ที่มันเครียดกันก็เพราะความอยากนถ้าหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปความเครียดก็จะหายไปพอความทุกข์หายไปความสุขมันก็มาความสุขกับทุกข์นี่มันอยู่ในใจของเรามันสลับทำงานกันส่วนใหญ่มันจัด มันจะทำทุกทุกมันจะทำงานมากกว่าสุขเพราะความอยากมันตัวกระตุ้นให้เกิดความทุกข์เวลาความอยากสงบตัวลงทีไรก็สุขขึ้นมาเห็นเวลาอยากจะไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวปั๊บนี้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไปเที่ยวก็หายไปสุขดีใจแต่พอกลับมาบ้าน เที่ยวกลับมาบ้านเสร็จอความอยากเที่ยวก็กลับขึ้นมาใหม่อยากออกใหม่แล้ก็อยู่บ้านอีกไม่ได้แล้วก็ต้องออกอีกนี่แหละคือเรื่องของเราที่เราไม่เคยมาศึกษากันมามาค้นคว้ากันนี่คือเรื่องที่เราเห็นกันได้เรื่องที่เราเห็นไม่ได้นี่ก็ต้องอาศัยคนที่เขาเห็น เชื่อคือเรื่องที่เราไม่เห็นไม่ได้ก็คือว่าตัวรู้ตัวคิดของเรานี่มันไม่ได้เป็นตัวร่างกายตัวร่างกายตายไปแล้วตัวรู้ตัวคิดนี้มันยังไม่ตายไปกับร่างกายมันยังอยู่ต่อแล้วมันก็อยู่ด้วยสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ว่ามันทำทาบุญหรือทำบาปทำดีหรือทำชั่ว ตอนที่ไม่มีร่างกายตัวรู้ตัวคิดนี่ก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเนี่ยตอนเวลาเรานอนหลับร่างกายก็เหมือนคนตายใช่ไหมร่างกายก็นอนเฉยๆไม่ได้ทําอะไรแต่ตัวรู้ตัวคิดมันยังทํางานอยู่มันยังใบเที่ยวไปทําอะไรอยู่เวลามันฝันเนี่ยมันไปแล้วถ้ามันฝันดีอ่ะมันก็ มีความสุขถ้าฝันไม่ดีก็มีความทุกข์แต่มันไม่รู้ว่าความฝันดีความฝันไม่ดีนี่เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเกิดจากการทำความดีความชั่วของเรานี่แหละเวลาเราทำความดีก็เหมือนเราอัดอัดเทปไว้ในใจเราอัดข้อมูลต่างๆเนี่ยตาหูจมูกนิ้วกายแล้วมันรับข้อมูลมา เราทำอะไรดีๆมันก็ฝังอยู่ในใจเราเอเวลานอนหลับมันก็มามาเปิดเล่นย้อนหลังเหมือนเราไปถ่ายวีดีโอไปเที่ยวที่ไหนมาพอกลับมาบ้านเราอยากจะไปเที่ยวเราก็เปิดดูวีดีโอได้ไม่ต้องไปเที่ยวใช่มที่เราไปถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเพื่อจะได้กลับมาดูที่บ้านอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ต้องถ่ายตาหูจมูกเอ็นกายนี่มันเป็นเครื่องอัด โดยอัตโนมัติมันอัดหมดนะความดีความชั่วต่างๆที่เราทำไว้มันอัดหมดแล้วตอนกลางคืนเวลาเรานอนหลับมันก็เอามาใช้ใหม่มาเล่นใหม่้ไปทำความชั่วมันก็เอาความชั่วนี้มาให้เราดูทำความดีมันก็เอาความดีมาให้เราดูเราก็จะฝันร้ายฝันดี มันเหมือนกล้องอ่ะมันจะกลับตาละปัดนยะกล้องเซลฟี่นี่ซ้ายกับขวาขวากับซ้ายนะก็เหมือนกันเราไปท้าใครเวลานอนหลับมันมันก็จะฝันว่าเขาจะมาฆ่าเราแทนเราไปช่วยใครเราก็จะฝันว่าเขามาช่วยเราเราไปให้ความสุขกับใครเราก็จะฝันว่าเขามาให้ความสุขกับเราอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลที่เกิดจาก การทำความดีความชั่วของเราถ้าเป็นช่วงที่นอนหลับมันก็เดียวเดียวฝันเดียวเดียวเดี๋ยวร่างกายก็ตื่นขึ้นมาก็ต้องกลับมาทางร่างกายมารับข้อมูลทางร่างกายแต่ถ้าร่างกายไม่มีโวกนั้นก็จะฝันยาวฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่โวกนั้น ถ้าฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าฝันร้ายก็เรียกว่านารกเรียกว่าอาบายอันนี้พวกเราไม่รู้กันถ้าเราไม่ปฏิบัติภาวนาจิตตภาวนาเราจะไม่รู้เรื่องของตัวรู้ตัวคิดว่ามันไม่ได้เป็นร่างกายแล้วก็มันเป็นตัวที่ทําและจําสิ่งที่มันทําเอาไว้ แล้วเวลาที่มันอนอนหลับไปเวลาร่างกายหลับไปหรือเวลาที่ไม่มีร่างกายไอสิ่งที่มันทำไว้มันก็จะกลับมาใช้ให้ดูใหม่ใช้กับตาละัากันจากเคยไปทำเขาก็จะถูกเขากลับมาทำเราเคยไปฆ่าใครเดี๋ยวมันก็จะพลิกกลับกลับมาเขามาฆ่าเรา เราทําดีไปช่วยเหลือใครเนี่ยมันก็จะฝันว่าเขามาช่วยเหลือเรามาให้ความสุขกับเราท่านยังบอกให้ให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็ถึงตนให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นก็ถึงก็กลับมาหาตนเนี่ยเหมือนกับกระจกที่เราส่องดูเนี่ยเวลายิ้มให้กระจกกระจกมันก็ยิ้มกลับมาให้เราเวลายากเคี้ยวให้กับกระจกกระจกมันก็ยากเคี้ยวกลับมา มันจะแยกตอนมันจะมันจะส่งผลตอนที่เรานอนหลับตอนที่เราฝันตอนที่เราไม่มีร่างกายตอนที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่ตัวรู้ตัวคิดนี้เป็นสวรรค์หรือเป็นนรกหรือเป็นอะไรไปจนกว่าแรงหนังกว่ากว่าหนังมันจะจบนะคือกรรมวิบากต่างๆ ท, ท, ที่เราทำเนี่ยมัน มากมากายกองข้าไหนมันก็จะฉายไปเรื่อยๆฉายไปจนกว่าเราจะมีโอกาสได้ร่างกายอันใหม่ถึงจะตื่นขึ้นมาใหม่อันนี้เราไม่รู้กันเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราจะทำบุญทาบาปก็แค่ชั่วจะรับผลบุญผลบาปก็ขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้น ทำความดีถ้าคนอื่นเขาเห็นก็อาจจะให้รางวัลเรายกย่องสรรเสริญเราทำบาปถ้าตำรวจจับได้ก็เอาไปติดคุกติดตารางเอาไปประหารชีวิตแต่ถ้าฉลาดเก่งกว่าตำรวจหลบได้หลีกได้ก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางคนทำบาปก็เลยไม่ค่อยกลัวบาปกัน อย่างมากพอตายแล้วก็จบชีวิตมันสั้นอายุมันน้อยเวลามันน้อยรีบหาความสุขกันดีกว่าออยู่เฉยๆแล้วมันเครียดอยู่เฉยๆแล้วมันทุกข์ก็เลยต้องไปหาความสุขจากกิจกรรมต่างๆทางตาหูจมกูกลิ้นกายจะมีกิจกรรมได้ทํากิจกรรมได้ก็ต้องมีเงินก็ต้องไปหาเงินก่อน ก่อนจะหาเงินได้ก็ต้องไปหาวิชาความรู้ก่อนเนี่ยทำไมถึงต้องส่งเด็กๆไปโรงเรียนกันให้มันมีความรู้พอมาเรียนจบมันจะได้ไปหาเงินได้มันจะได้ไม่ต้องมาขอเงินจากพ่อแม่พอมันหาเงินเองได้แล้วมันก็มันก็ไปเที่ยวไปเล่นของมันแล้วก็ไปทุกกับของที่มันเที่ยวมันเล่นเพราะของที่มันเที่ยวมันเล่นมันก็เป็นของชั่วคราว แต่ใจมันมันไม่ชั่วข่าวใจมันอยากจะเที่ยวจะเล่นตลอดเวลาเวลาที่ไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นมันก็เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาแล้วบางทีก็ต้องไปทำบาปเพื่อจะได้เที่ยวได้เล่นถ้าทำไม่ทำบาปแล้วมันไม่ได้บางทีก็ต้องไปทำบาปกันไปลักทรัพย์กันไปช่อโกงกันไปฆ่ากัน นี่ก็คือเรื่องราวของพวกเราที่ไม่รู้ความจริงของพวกเราว่าเราเป็นใครกันแนะ่เราเป็นอะไรกันแนะ่และความสุขของพวกเราอยู่ที่ไหนกันเราไม่รู้กันเราต้องมาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธศาสนาถึงจะรู้เนี่ยอ๋อความสุขก็คือการควบคุมใจควบคุมความอยากอย่าให้มันอยากเวลา ความอยากสงบตัวลงใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขขึ้นมาแล้วใจก็ไม่ต้องทำอะไรใจอยู่เฉยๆอยู่แบบขอทานได้อยู่แบบไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้อยู่แบบไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรต่างๆแบบคนทำกันอยู่ทุกวันนี้ทำเท่าไหร่แทนที่จะสุขก็กลับวุ่นวายมากขึ้นทุกข์มากขึ้น ยิ่งมีมากก็ต้องวุ่นวายมากเนี่ย <c oughs> ถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาเราจะไม่เห็นพระพระสงฆ์องค์เจ้ากันมาท่านอยู่ท่านกินกันอย่างไรทุดงควัดชั้นมือเดียวเหน็นไบินทบาทเป็นวัดเนี่ยชั้นในบาทเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่ต้องใช้ถ้วยใช้ชามใช้ช้อนใช้อะไร ามาใบเดียวนี่กินเลี้ยงชีบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แนละช้อนก็คือมือห้านิ้วนี่แหละช้อนวิเศษได้มาตั้งแต่เกิดเวลาเกิดก็ใช้นิ้วมือเลยอมก็ไปในปากนะอมนิ้วหยิบอะไรก็ใช้นิ้วหยิบเอาเนี่ยดูพระเนี่ยดูพระพุทธเจ้า พระก็ต้องเลือกพระดูนะเพราะเดี๋ยวพระที่ไม่เป็นพระ ก, ก็มีคือเป็นพระแต่รูปร่างก้นหัวหม่มผ้าเหลืองแต่ทำตัวยังกับเป็นเจ้าขุนมูลนายเป็นเจ้ามีตำแหน่งกันนะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนกันนะพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนไม่ได้เป็นสังฆราช พระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมดาเป็นพระขอทานชันมือเดียวชันในบาทบินฑบาตไม่ได้ชันในสำรับถ้วยหยกถ้วยถ้วยแก้วถ้วยอะไรช้อนเงินช้อนทอง กินแบบขอทานอยู่แบบขอทานเพราะนั่นคือวิธีอยู่อย่างสุขนั่นเองไม่ใช่อะไรหรอกพวกที่อยู่อย่างรู้หรานี่รับรองร้อยเปอร์เซ็นตมันไม่สุขหรอกมันสุขที่ร่างกายแต่ใจมันวุ่นวายไปหมดเห็หมสร้างวัดสร้างวังใหญ่โตเนี่ยอนนี้ถูกตํารวจบุคค้นบุกถูกตามตัวจับกันเลย ไม่อยู่แบบขอทานถ้าอยู่แบบขอทานตํารวจก็ม่มาจับหรอกอันนี้อยู่แบบมหาเศรษฐีเญ า, าติโยมก็หลงไหลคิดว่าถ้าเป็นพระเก่งต้องเป็นพระรวยต้องเป็นพระมียศมีตําแหน่ง ถ, ถึงจะถือว่าเป็นพระเก่งแต่ถ้าพระไม่มีตําแหน่งไม่มียศไม่มี ทรัพสมบัติไม่มีวัดอะไรอย่างนี้กับกายเป็นผ้าภายในจรนี่ไม่ไม่ใช่เป็นพระไม่ใช่เป็นผ้าเก่งพระดีผ้าเก่งพระดีต้องอมียศมีตำแหน่งใช่ยศตาแหน่งมันทำให้ใจกิเลสมันตายหรือเปล่าทำให้ใจสงบหรือเปล่า ทำให้ตัญหาความอยากมันหมดไปหรือเปล่าหรือยิ่งกลับทาให้มันมีมากยิ่งขึ้นไปเจะเข้าหาพระพุทธศาสนาต้องกลับไปที่ต้นตอ่ออย่าดูตอนตอนปายนี้ตอนปายนี้มันเป็นกลายพันธ์ไปแล้วเหมือนต้นไม้ต้นไม้ถ้ามันมันบางทีมันก็กลายพันธ์ไป มีคนเข้ามาแปลงมันผสมนู่นระสมนี่กันต้นเดิมเป็นยังไงไม่รู้แล้วแต่อยากจะรู้ว่าต้นเดิมพระเดิมเป็นยังไงก็ไปดูในพระไตรปิฎกดูคำสอนของพระพุทธเจ้าดูประวัติของพระพุทธเจ้าดูประวัติของพระอริยสงสาวกทั้งหลายว่าท่านมีลาบมียศมีอะไรมีตาแหน่งมีอะไรกันหรือเปล่า ท่านอยู่กินอย่างไรท่านบินาบาตหรือว่ามีคนคอยจับอาหารมาถวายถึงที่กุฏิท่านมีภาชนะต่างๆหรือเปล่ามีถ้วยมีจานมีชามีช้อนหรือว่าท่านมีบาตรใบเดียวท่านฉันกี่มือ้อที่พักของท่านเป็นอย่างไร ท่านสอนให้อยู่อย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่ตามโคนไม้ลูกขมูลละเส้นาสนังสมัยพระพุทธการท่านอยู่ลูกขมูลกันยกเว้นญาติโยมสงสารสร้างกุฏิให้อยู่ท่านก็บางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่พระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวถ้ามาสร้างไปในวัดมันเป็นวัตถุ สร้างคนดีกว่าสร้างพระดีกว่าไม่ใช่พระพุทธรูปนะสร้างพระอริยะสร้างพระโสดาพระสกิดาพระอนาคาพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าสร้างแต่พระเหล่านี้สร้างโดยการประกาศแสดงธรรมประกาศสั่งสอนอบรมวันเราต้องสามสี่รอบให้ดู ช่วงบ่ายก็สอนญาติโยมช่วงค่ำก็สอนภิกษุสามนเณรช่วงเด็กก็สอนเทวดาช่วงเช้าก่อนจะออกบิณฑบาตก็เล็งยานดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษใครกำลังอยู่ในภาวะที่พร้อมสุขงอมทั้งด้านจิตใจและทางด้านร่างกาย ร่างกายก็อาจจะใกล้ถึงววราจะตายแล้วแต่จิตใจพร้อมที่จะรับทํามก็ไปโปรดคนนั้นก่อนถ้าไม่ไปโปรดเดี๋ยวเขาตายเขาก็จะพลาดโอกาสอันงามดีงามเหมือนกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปที่พระเจ้าเคยไปศึกษาวิธีนั่งสมาธิพอพระุธเจ้าตัดสรู้ปั๊บก็อยากจะเอาไป เอาไปให้กับครูอาจารย์สองรูปนี้ความรู้ที่ได้ส่งคนพบแต่ก็ท่านตายไปแล้วคนหนึ่งก็ตายไปเมื่อเดือนที่แล้วไอค น, นก็ตายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว mm hmm. ถ้าแบบเสียดายเพราะว่า mm hmm. เขาจะ mm hmm. ไม่ได้รับธรรมะที่วิเศษที่นานๆจะมาปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่ง mm hmm. ถ้าเขาอยู่ดอกทั้งปี ได้นี้เขาก็บรรลุได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะพระเจ้าตั้งใจว่าจะต้องไปสอนครูอาจารย์สองรูปนี้ก่อนพอสอนสองรูปนี้ไม่ได้ก็ไปทิศถึงพระบัญจารวกีผู้ที่เป็นสาวกผู้ที่ติดตามผู้ที่รอให้พระเจ้าเป็นอาจารย์สอนรอให้พระเจ้าตัดสรุปแต่พอพระเจ้าไป เดินในทางสายกลางเขาก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้ายอมแพ้ไม่ยอมอดตายพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเถนตรงอดตายแล้วมันได้เลยไปอดที่ร่างกายแตไ่ไม่ได้อดที่ใจตัวที่เป็นปัญหาก็คือใจใจที่หิวที่โหยเนี่ยที่อยากนี่ไอ้ตัวนี้ต้องอดมันต้องหยุดมัน เกิดความอยากหยุดความหิวโหวยพอกําจัดความอยากความหิวโหวยได้ความอิ่มมันก็โผล่ขึ้นมา<อ>ก็เลยเอาความรู้เนี่ยมาสอนปัญจวัคคีย์พอสอนบ้าง ก, ก็ได้เป็นพระอริยะกันขึ้นมาพระพุทธเจ้าไม่สร้างวัดสร้างแต่พระนั่งแต่พระอริย แล้วก็ไม่ต้องมีวัดก็อยู่ได้ไม่ต้องมีวัดก็เป็นพระอริยะได้สมัยพุทธกาลมีวัดที่ไหนกันมีแต่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระอริยะกันดยการอาศัยการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอริยะคนแรกเป็นพระอารหันต์คนแรกเป็นพระอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า คือเป็นพระอหรหันด้วยตนด้วยการสอนตนเองแต่พระอหรหันที่ตามมานี้เขาไม่เรียกว่าพระอหรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพระอหรหันตสาวกคำว่าสาวกก็แปลว่าผู้ฟังผู้ศึกษาเป็นสาวกเป็นพระอหรหันด้เกิดด้วยการเกิดด้วยการฟังจากผู้รู้คือพระพุทธเจ้า แต่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันกิเลสตัณหาตายไปหมดเหมือนกันใจสะอาดบริสุทธิ์เป็นพระนิพพานกันเหมือนกันต่างตรงที่ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นเองศึกษาเองค้นคว้าเองจนพบวิธีทำให้ใจเป็นนิพพานขึ้นมาด้วยการกาจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจ ส่วนพระนั้นตสาวกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกก็ไม่รู้ว่าตัวที่ทําให้ตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวกิเลสตัณหาเนี่ยพอรู้ปั๊บก็ฆ่ามันเสียฆ่ากิเลสตัณหาหมดใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาใจาก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าทํางานอันนี้เท่านั้นไม่คิดไม่เคยคิดอยากจะสร้างวาดัดสร้างอะไรให้ใหญ่โต โมโหลานแบบที่พระสมัยนี้เขาทำกันสร้างวัดทั้งทีต้องใหญ่โต ม, โ, มโหลานเป็นอาณาจักรขึ้นมาแต่พระนี้ไม่ได้เป็นพราะอาริยะกันเป็นพระปุถุชนกันเป็นพระที่เต็มไปด้วยกิเลส ต, ตัณหากัน คือสิ่งที่เราต้องศึกษาถ้าเราอยากจะรู้ความจริงของพระพุทธศาสนาต้องกลับไปที่พระไตรปิฎกศึกษาพุทธประวัติศึกษาพระอริยสงสาวกประวัติศึกษาพระธรรมคําสอนในพระสูตรต่างๆอันนั้นะจะได้รู้จักพุทธศาสนาที่แท้จริงจะได้รู้จักพระสงฆ์องค์เจ้าที่แท้จริง ท่านกินท่านอยู่กันอย่างไรท่านปฏิบัติกันอย่างไรถ้าดูจากสมัยปัจจุบันนี้ก็จะจะไม่ได้ความจริงของพระพุทธศาสนานี่คือเรื่องที่เรามากันก็มาฟังเรื่องราวเหล่านี้เรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเรื่องที่เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนานี่มีความสำคัญกับตัวเรานั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็จะมืดบอดก็จะหลงหาความทุกข์กันแทนที่จะหาความสุขกันเพราะความหลงมันก็จะหลอกให้เราหาความทุกข์เพราะคิดว่าหามันเพราะคิดว่ามันเป็นความสุขพอหามาแล้วก็ทุกข์กับสิ่งที่หามาได้ เราก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นรัตตนาเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระรัตตนาตรัยพระพุทธรัตนะพระธระรมรัตตนาพระสังขรัตนาเนี่เพราะว่าเป็นของมีคุณค่า พอสามารถซื้อการ อ, าออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับไปซื้อเอาคนที่ติดคุกให้ออกจากคุกตารางได้สมัม น, นี่เรามีเงินทางนี่สามารถซื้อออกมาจากคุกได้ได้ทำไมไม่ได้เราไม่รู้เองที่เขาปล่อยออกมานี่บางทีเราไม่รู้เขาปล่อยออกมามีเงินทุกอย่าง อาจจะติดแต่ชื่อก็ได้ตัวไม่รู้อยู่ที่ไหนอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราได้พุทธรัตรนะได้ธรรมรัตรนะหรือได้สังครัตรนะเราก็จะมีเงินซื้อตัวเราให้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายตอนนี้พวกเราติดคุกติดตารางกันรู้หรือเปล่าคุกนี้มันมีกาแพงอยู่สี่ด้านด้านหนึ่งก็คือเกิดด้านที่สองก็คือแก่ด้านที่สองก็คือเจ็บ ร่าที่สามก็คือตายเนี่ยเป็นอยู่ในคุกนี้มาตลอดไม่รู้กี่กี่แสนกลับละกี่ล้านกลับละกี่ล้านชาติแล้วกลับมาทีละเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายพอตายแล้วก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันก็เหมือนติดในคุกตารางนี่แหละมันไม่ได้ออกจากคุกตารางนี้ไปแต่ถ้าเราได้พบกับพระรัตนตรยัยได้พบกับเพชรนี่ เพชรที่มีคุณค่ามหาศาลเราก็มาซื้อจ่ายเงินให้สัตว์ดีจ่ายให้กับผู้คุมผู้คุมกุ้คายก็คือกิเลสตัณหานี่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปซื้อกิเลสตัณหาพอได้เพชรได้พลอยมันก็ปล่อยเราออกมามันก็หยุดทำงานหยุดโลภหยุดโกรธหยุดหลงหยุดอยากต่างๆ อพอได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปในใจกิเลสตัณหามันก็หยุดทํางานผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเอาธรรมเข้าไปสิเอารอธรรมรัตนะเข้าไปในใจเอาไปใจ่ายให้กับกิเลสถ้ากิเลสไม่ได้ธรรมรัตนะมันก็หยุดทํางานหยุดปิดกั้นไม่ให้เราออกจากคุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย พอเราเอาเข้าไปเอาสติเข้าไปเอาสมาธเข้าไปเอาปัญญาเข้าไปกิเลสตัณหาก็หยุดทํางานปล่อยเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ธรรมรัตนะหรือธรรมรัตนะกับพุทธารตนะกับสังฆารตนะก็เป็นองค์เดียวกันสามารถทําให้กิเลสตัณหาหยุดทํางานได้เหมือนกันนะ พระพุทเจ้าหยุดกิเลสตัณหาด้วยการปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาพระอาหารหันตสาวกท่านก็หยุดกิเลสตัณหาด้วยการปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาพระธรรมคาสอนที่เราศึกษากันอยู่นี้ท่านก็สอนให้เราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ศีนสมาธิปัญญาเข้ามาดับความอยากดับความโลภความโกรธความหลงต่างๆ พอเรามีธรรมรัตนะเราก็เหมือนกับมีพุทธรัตนะเหมือนกับมีสังฆรัตนะเพราะเป็นองค์เดียวกันทำหน้าที่แทนกันได้ถ้าไม่มีธรรมรัตนะได้เจอพุทธรัตนะท่านก็สอนเราเหมือนให้เรามีศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่มีพุทธรัตนะไปเจอสังฆรัตนะท่านก็บอกให้เราจะเรินศีลสมาธิปัญญากันพอเราจเจริญ มันก็เหมือนจ่ายเงินให้กับกิเลสตัณหาเอาเพชรเอาพลอยให้กิเลสตัณหาไปกิเลสตัณหาก็เปิดประตูให้เราออกจากคุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายตอนนี้มันปิดกันไว้ไม่ยอมให้เราออกจากคุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายตายกี่รอบก็หนึงให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆออกจากคุกนี้ไม่ได้สักทีจนกว่าจะมีเงินมาถ่ายโทษ มีพุทธรัตนะมีธรรมรัตนะมีสังข ร, รัตนะทนา่านั้นที่จะถ่ายโทษได้พระพุทธเจ้าท่านก็มีพุทธรัตนะท่านค้นหาด้วยตนเองแล้วท่านก็มาสอนพระสงฆ์ท่านก็ใช้ธรรมรัตนะเป็นตัวสอนพอพระสงฆ์นำเอาธรรมรัตนะเข้าไปถ่ายถ่ายถ่ายโทษก็หลุดออกมาได้ นี่แหละคือเรื่องของเราเราก็คือตัวรู้ตัวคิดนี้ที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่ถูกกิเลสตัณหามันดึงให้เรากลับไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆดึงให้เราไปมีร่างกายกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่มาสร้างศีล ส, สมาธิปัญญานี้เราจะไม่มีวันที่จะออกจากคุกตารางนี้ได้เอาแล้วนะคิดว่า ได้เวลาสำหรับชั่วโมงแรกนะก็จะนุโมธนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตจินางเปตานางอุปกาปฏิอิธิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปันนาระโสยะามณิโชติระโสยะาสพีติโยวิวาชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทธาอิจังวุฒาปจายน ยะตาโรธรมมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ก็ต้องให้เวลาอยู่ด้วยกันก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องเจอกันสักคยุยกันสักสิบนาทีให้ความรู้กับเขาว่าทำความดีอย่าทำบาปอย่าทำสิ่งที่ผิดผิดกฎหมายผิดศีลธรรมต้องพูดกันเลยต้องสอนกันถ้าไม่สอนเขาก็เขาก็ลืม ที่ปัญหาคือเขาไม่อยากจะฟังจะทำยังไงพอสอนมันก็น่าเบื่ใส่เราเนะีอยก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันไม่รับคำสอนอยากจะไปตามตามความคิดของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเราวิตกกังวล ม, มากไปเองนะเราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาเหมือนก่อนไม่ใช่นะอทำไมาเราก็ยัองอยู่ได้ต่อไป เขาก็อยู่ของเขาได้เรามีหน้าที่บอกผิดถูกดีชั่วก็บอกไปท่านนั้นเองส่วนเขาจะเอาไม่เอาไม่นเรื่องของเขาอะกงวันก็บอกเอ้ยนยะอย่าอย่าเสพอบายามุกนะอย่าเสพติดสุรายามา้าเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิจอย่าทำบาปนะแล้วก็ทำความดี ทำความดีมันมีหลายแบบขยันทํางานก็เป็นความดีขยันเรียนก็เป็นความดีช่วยเหลือผู้อื่นช่วยพ่อช่วยแม่ในบ้านอะไรโศกปกุกโรกลุงลังก็ช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดบ้างอย่าเอาแต่เล่นอย่าเอาแต่อดูทีวีถอนไปสิทวนมันจะทําให้ทําก็เรื่องของมัน อ๋อทำบาปแล้วผลทำบาปทำผิดกฎหมบบายเสด็จบาลยมุกผลจะเป็นยังไงก็บอกมันทำความดีขยันเรียนขยันทำงานผลมันเป็นยังไงก็บอกมันให้มันเห็นส่วนมันจะเอาไม่เอาก็เรื่องของมันแต่บอกว่าติดคุกติดตารางกูก็ไม่ไปส่งน้ำส่งอะไรให้มัง น, นะไม่ไปประกรันมานะบอกมันแล้วจะหาว่าเราโหดนะ นี่เราบอกไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าทําตามที่เราบอกก็ไม่ต้องไปประกันตัวถ้าอยากจะไปติดคุกก็อย่ามารอให้เราไปประกันออกมานะ mm hmm. ต้องขู่มันั่งเลยเห็นไหมคริว่าติดคุกเดี๋ยวพ่อก็ไปดึงออกมาผม mm hmm. ไม่ดึงหรอก mm hmm. เราเลี้ยงลูกผิดเองตามใจมันไม่หักไม่ห้ามไม่อะไรมันไม่มีพฤติกรรม ปิดกั้นมันบ้างหาวิธีอย่าให้เงินมันมากสิถ้ามันใช้เงินแบบไม่ถูกต้องทำผิดก็ลงโทษมันบ้างลดเงินเดือนลงมันจะได้มีเห็นรู้คุนรู้โทษว่าเป็นอย่างไรเราไม่ให้เวลากัมันก็มันก็มันก็เป็นเหมือนกับมันก็ต้อง สอนตัวมันเองหรือเพื่อนฝูงสอนมันมันก็เรียนจากเพื่อนฝูงถ้าได้เพื่อนดีก็ดีไปถ้าได้เพื่อนไม่ดีก็ก็ซวยไปหัวแต่เวลาไปหาเงินหาทองจะไม่มีเวลามาเลี้ยงลูกลูกติดยาเสพติดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ลูกไปติดคุกเมื่อไหร่ขึ้นมาก็ไม่รู้ รักลูกให้ผูกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอันนี้ไม่ต้องตีเพียงแต่สอนสมัยนี้ก็ไม่ตีสอนแล้วใช้มาตรการลงโทษวิธีอื่นไม่ต้องตีก็ได้ตัดเงินเดือนมันห้ามออกจากบ้านเที่ยวข้างนอกมันดื้อจับไปเรียนโรงเรียนกินนอนเลยส่งไปโรงเรียนกินนอนดัดสันดาน มีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีจะให้ทางบ้านมีไหมทางบ้านมีคําถา ม, ข ม, ม เ, าเข้ามาอย่างค่ะเข้ามาคําถามจากข้อความในอินบ็อกซ์นะคะจากคุณจั ก, กริกถ้าเราปฏิบัติมากๆแล้วฝันว่าไปนั่งสมาธิในฝันอันนี้เราปฏิบัติผิดหรือเปล่าครับไม่เห็นผิดตรงไหนอะคําถามจากคุณจันทนา ถ้าเราสวดมนต์เสร็จแล้วก็ตั้งใจสวดอุทิศบุญให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วหรืออุทิศบุญให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยการเอ่ยชื่อเขาจะได้รับบุญที่เราอุทิศให้หรือไม่คะก็อยู่ที่เราบุญเรามีหรือเปล่าเรานั่งสมาธิจิตมันสงบหรือ ย, ยัง่ะถ้าจิตยังไม่สงบมันก็ยังไม่มีบุญอ่ะมันต้องสงบมันต้องได้ผลก่อนถึงจะได้บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิ เขาจึงไม่นิยมอุทิศบุญในการนั่งสมาธิกันเขานิยมในการทําบุญกันทําทานกันเนี่ยพอทําทานปั๊บบุญก็เกิดขึ้นแล้วก็อุทิศได้เลยส่วนนั่งสมาธินี่บางทีนั่งเป็นสิบปียังไม่ได้บุญเลยยังไม่ได้ความสงบยังไม่ได้ผลบุญเราจะเอาอะไรไปอุทิศให้เขาอยากจะอุทิศบุญก็อย่าเสียดายเงินเลยเอาไปทำเอาเงินไปทําบุญเถอดอย่าเอาเงินไปเที่ยว เวลาจะอุทิศบุญนี่จะอุทิศแบบฟรีๆกันนั่งสมาธิกันฟังเทศฟังธรรมกันแล้วก็อุทิศกันสวดมนต์กั น, น, น, กนแล้วก็อุทิศกันมันยังไม่ได้ผลหรอกยังไม่ได้บุญมันเพียงกาลังสร้างบุญอยู่แต่บุญยังไม่เกิดเหมือนถ้าปลูกต้นไม้ก็เพิ่งกําลังปลูกต้นไม้อยู่อดอกผลของต้นไม้ยังไม่ออ้อ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อที่หนึ่งในเทศนาที่พระอาจารย์สอนชาวต่างชาติเมื่อวานมีการพูดถึงว่าตอนตายจะมีการคำนวณว่าบุญบาปอย่างไรมากกว่ากันจิตก็จะโดนกลมดึงไปทางนั้นในกรณีที่ถึงแม้ว่าบุญเยอะมากกว่าบาปแต่จิตสุดท้ายเศร้าหมองไม่สงบก็ย่อมไปเกิดในอบายก่อนใช่ไหมเจ้าคะไม่ใช่หรอกถ้าจิตสุดท้ายเศร้าหมองก็แสดงว่าบุญบาปมันมากกว่าบุญนะเนย มันถึงเศร้าออมองถ้าบุญมันมากกว่าบาปมันก็ไม่เศร้าออมองจิดสุดท้ายมันก็คือผลลับของบุญและบาปข้อที่สองพระอาจารย์กล่าวว่าเป็นเทวดาก็สามารถไปฟังคำจากพาาาระอรหันต์ได้ถามว่าจะต้องทำกรรมอะไรถึงมีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นได้คะ<ม>เช่นในชาตินี้พยายามปฏิบัติให้ถึงที่สุดเป็นอาจีน และให้มีอุปนิสัยฝั่งในจิตที่ปรารถนาจะปฏิบัติและบรรลุธรรมเจ้าค่ะนั่นแหละก็ต้องสนใจฝ่ายบุญฝ่ายฝ่ายการฟังเทศฟังธรรมมีเวลาว่างแทนที่จะไปเที่ยวตามบาตามผับก็ไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมหรือเปิดซีดีฟังกันอ่านหนังสือธรรมะฟังกันหรือไปกราบพระอริยสงฆ์กันไปฟังเทศฟังธรรมกัน ถ้าทำให้มันเป็นติดเป็นนิสัยเวลาไปเป็นเทวดามันก็จะไปหาพระอริยะสงฆ์ที่ท่านแสดงธรรมได้ครับปัญญาหลุดอ่าอ่วใครเข้ามาทีหลังอยากจะเอาเข้าของเข้ามาประเคนก็เข้ามาได้อะเชิญหยิดได้เลยนะมีหนังสือซีดีถ้ามันถ้าเขาขอมาก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ขอมาก็ยาวไป เขาบอกว่าช่วยเอาไปฝากให้เขาหน่อยก็อาไปได้พอดีไม่ไดอกเาวาจะมาเออแล้วบางทีเขาไม่บางทีก็ไม่อยากได้ก็ได้เอาไปแล้วเดี๋ยวจะเสียของเบาๆหนูเอาไปฝากอาจารย์อมราได้เออมาราท่านเป็นครังธรรมะแนละ้วไม่ต้องไปไม่ต้องเอามาพาไปขายสวนหรอกอยากจะได้เขามาเ อ, าเองไม่ <c oughs> ไม่เขาก็ขอฝากเรามาอย่างนี้ก็าไปได้ ต่อได้หรือยังสัญญาแล้วนี่ไม่ดีเลยทางบ้านก็ส่งข้อความมารายงานบ้างหรือ่ญญาของเราต้นทางหรือที่ไหนไม่รู้ของเรานะานะแต่ YouTube ดีค่ะก็นิจังนะทุกอย่างมันเป็นระบบที่มีมีส่วนประกอบหลายส่วนมันก็มีเสื่อมได้ ถคํถาถามจากคุณจิรศักดิ์พระอาจารย์ครับฐานที่ตั้งแห่งจิตของคนเราจะสามารถย้ายให้ไปอยู่ตามที่เราต้องการได้ไหมครับถ้าหากเรายังไม่พบฐานที่ตั้งจิตของเราจะต้องทําอย่างไรครับก็ต้องใช้สติไงสติดึงเข้าฐานฐานก็คือความสงบตอนนี้ใจเราอยู่นอกฐานมันเลยวุ่นวาย อ, อยู่กับความคิดปรุงแต่งเราต้องหยุด เราต้องออกจากฐานของความคิดปรุงแต่งมาอยู่ที่ฐานผู้รู้ผู้ศักษาแต่ว่ารู้เนี่ยคือฐานของจิตถ้าอยู่ที่ผู้รู้แล้วมันจะสุขมันจะสงบมันจะสบายมีความสุขแต่มันถูกกิเลสดันให้ไปอยู่กับทางสังขารอาวิชชาปัจจยาสังขารเห็นไหมอวิชามันดันจิตให้เราออกจากฐานของผู้รู้ให้ไปอยู่ฐานของผู้คิด คิดแล้วก็วุ่นวายคิดแล้วก็เกิดตัญหาความอยากต่างๆขึ้นมาฉนั้นต้องดึงจิตกลับไปที่ฐานเดิมฐานเดิมก็คือความสงบ ต, ต้องใช้สติหนึ่งกลับใช้พุทโธหนึ่งกลับพุทโธพุทโธไปอยากปล่อยให้มันคิดถ้าคิดแล้วมันออกจากฐานถ้าอยากจะให้กลับเข้าสู่ฐานต้องใช้พุทโธเดินกลับเข้าไปคำ ถ, ถามจากคุณแม่นก บางวันไม่ได้นั่งสวดมนต์ในห้องพระแต่กำหนดจิตทำงานไปสวดมนต์ในใจไปตลอดแบบนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวใครเมื่อกี้เปิดอะไรช่วยปิดให้หน่อยนะมันทำให้ฟังไม่รู้เรื่องเลยถามใหม่ด้ยคำถามจากคุณแม่นกบางวันไม่ได้นั่งสวดมนต์ในห้องพระ แต่กำหนดจิตทำงานไปสวดมนต์ในใจไปตลอดแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะ่ะได้สวดมนต์สวดได้ตลอดเวลาถ้าสวดในใจไม่ต้องไปนั่งในห้องพระสวดมนต์ก็เหมือนพุโทโธแต่เป็นเป็นพุโทโธยาวพุโทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้เพื่อดึงจิตให้กลับเข้าสู่ฐานของผู้รู้คำถามจากคุณปาโมดถ้านายจ้างตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องความปลอดภยัย พรมองว่าเพืองค่าใช้จ่ายแล้วปรากฏว่าลูกจ้างตายเพราะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันให้ใช้ในายจ้างบาปไหมครับก็เรื่องของเขาบาปเรื่องบาปแล้วก็ไม่รู้แหละ <ทำ S 1> ไม่ต้อ ง, งไปสนใจแล้วเราบาปหรือเปล่าดีกว่าเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านก็เลยทำใม้ดูตัวเราบ้างว่าเราบาปหรือเปล่าเราทําอะไรชอบไปดูความผิดของคนอื่นความผิดของตัวเองไม่ยอมมอง จากคุณนาถ้าป่วยหนักจะทำบุญถ่ายโทรกระบือพอจะช่วยได้ไหมคะพระอาจารย์ช่วยโคได้แต่ช่วยเราไม่ได้หรอกคงถามจากคุณอรนุชเพื่อนโยมนับถือศาสนาบาไฮฝากถามว่าหนึ่งในเมื่อพระดีๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทำไมชอบอยู่แต่ในป่าไม่อยู่ในสังคมเทศสั่งสอนให้คนในสังคมเป็นคนดีทําให้สังคมตอนนี้เสื่อมมากเพราะคนในสังคมไม่ชอบธรรมะไม่ชอบรับการสั่งสอนคนในสังคมอบสังคมชอบราบยศสรรเสริญชอบรูปเสียงกลิ่นรส<ม>ก็เลยไปอยู่ในป่าแล้วคนที่เขาชอบเขาก็ไป<ม>เขาก็ไปหาพระที่อยู่ในป่านั่นเองข้อที่สอง หน้าที่ของพระคืออะไรหน้าที่แรกก็คือศึกษาปฏิบัติให้หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็สั่งสอนให้คนอื่นหลุดพ้นต่อไปข้อที่3เมื่อพระอยู่ในป่าไม่เจอปัญหาเรื่องการดําเนินชีวิตเช่นเมื่อเจอกับคนไม่ดีคนเห็นแก่ตัวเป็นต้นและและท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านสามารถนําสิ่งที่ท่านเรียนรู้จากการปฏิบัติธรรมมาใช้ได้จริง เพราะเมื่อไม่เจอบททดสอบเราก็ไม่รู้ว่าเราผ่านไหมอท่านก็เจอเนี่ยเดี๋ยวท่านก็เจอพระองค์นั้นพระองค์ น, งนี้เจอญาติโยมเนี่ยเจอคนนู้นคนนี้ก็เจอเจอสิงสาราสัตว์ต่างๆคาถามจากคุณภูกระผมอยากได้อุบายเพื่อให้เกิดปัญญาพิจารณากายครับก็ยคิดว่าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ร่างกายมีอาการสามสิบสองไม่สวยไม่งามร่างกายทำมาจากดินน้าลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเดี๋ยวเวลาตายไปก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปหมดแล้ ว, หลวให้พิจารณาคิดอย่างนี้บ่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้ปล่อยวางไม่ให้ยึดติดกับร่างกายเมื่อมันเป็นเพียงดินน้าลมไฟเราจะไปยึดติดกับมันได้อย่างไร เดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปมันไม่สวยไม่งามมันมีอวัยวะที่น่าขยะขยงไม่น่าดูมีของโสกรปรกที่ขับถ่ายออกมาอยู่ตลอดเวลาดูแลมันจะได้ไม่เกิดความกําหนัดยินดีในร่างกายของคนอื่นมันจะได้อยู่คนเดียวได้ชอบอยู่กับกองขยะกัน ตัวเองก็กองขยะกองหนึ่งแล้วเออไปอยู่กับหากองขยาะกองมาอยู่ด้วยถามว่ามาหยูพ่อบอกว่าให้ให้ภาวนาไปจนกระทั่งมันระเบิดะนะมาถึงตอนที่มันตึ้งมากๆอาตอนนั้นมาถือว่าถ้ามันจะระเบิดได้นิ่มต้องอยู่ในอัปปนาต้องอยู่ ไม่ต้องเราอยู่องนี้แหละออยู่เฉยอย่างนี้แล้วสู้กับความอยากให้มันอยากให้มันด <um ิ้นจนกระทั่งมันหมดแรงถ้ามันหมดแรงมันก um ็เหมือนมันก็จะระเบิดหายความเครียดมันก็จะระเบิดหายไปความเครียดมันเกิดจากความอยากถ้าเราไม่ไปทําตามความอยากมันก็จะยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งเครียดจนกระทั่งเหมือนกับจะอกจะแตกตายพอเราปล่อยให้มันเครียดเต็มที่ปล่อยให้มันอยากเต็มที่เดี๋ยวมันหมดแรงมันก็หายวับไปหมด มันก็ว่างเบาสบายอันนั้นต้องอดทนมากๆไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้ตัวตัวขันติสู้มันอย่างเดียวไม่ทำตามที่มันอยากอย่างเดียวมันเหมือนน้ำปุดๆขึ้นมาเวลานั่งพยายามจะให้ได้หกชั่วโมงให้มันผูดขึ้นไปให้มันให้มันเหมือนน้ำที่น้ำในกาเนี่ยเดี๋ยวพอมันเต็มที่มันก็ฝาเฟอมันก็หลุดออกมาหมด แล้วมันก็โล่งเบาสบายขอทําอีกข้อหนึ่งค่ะตอนตอนที่ท่านแม่กันดีไม่ทราบหรออ๋อเราไม่รู้หรอกยังมาพูดเรื่องของคนอื่นเลยอ่าขึอยากจะเท่แต่อยากทราบว่าจะปฏิบัติแบบเป็นไม่ไม่ต้องโกนหัวอย่างนี้โกนก็ได้ไม่โกนก็ได้มันแต่ถ้าโกนได้ก็แสดงว่าฉลาดขึ้นแต่ยังโกนไม่ได้ก็ยังโง่อยู่ คนที่ฉลาดนี่เขาโกนหัวทั้งนั้ น, นดูพระพุทธเจ้านะดูพระสาวพวกนั้นพวกที่ไหว้ผมเนี่ยยังพวกงโง่อยู่พวกอวิชาปัจจญาสังขาราอยู่เนี่ยดูกับวิชาหลอกหลอกให้ยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวตัวกูของกูต้องสวยต้องงาม <Yeah. S 1> พ, พุทธเจ้ามองเห็นว่าร่างกายเป็นคนใช้ไปแต่งตัวให้มันทําไมเราไปแต่งตัวให้คนใช้มันบ้างเปล่าซื้อซื้อผ้าไหมซื้อเพชรซื้อพลอยมาใส่ให้มันบ้าง ตัวเราไม่เอาเพชรเอาพลอยมาใส่ตัวเราคือใจ เ, เพชรพลอยก็คือพระรัตนใจไม่เอามาสวมใส่กันกลับไปซื้อเพชรพลอยซื้อเสื้อผ้าซื้อผ้าไหมผ้าอะไรมาใส่ให้กับคนใช้ร่างกายนีม่มีคนรับใช้เราไม่รู้เหลอใจเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ยังไปหลงที่ว่าเป็นตัวเราอยู่ยโกนหัวมันเลยจะได้หมดปัญหาไม่ต้องมาคอยสะให้มันคอยมาดัดมาคอยมาหวีคอยมา อะไรต่างๆให้เหนื่อยยากเสียเวลาอ่ะ ไ, ไหไม่เนี่ยสบายอาบน้ำพอกสบู่ปั๊บเสร็จแล้วไม่ต้องหวีไม่ต้องอะไรเนี่ยคนใช้ไปเลี้ยงมันทำไมเลี้ยงใจสิใจต้องการตัวเราคือใจเนี่ยไม่เลี้ยงไม่ไม่เสริมความงานความงานของใจก็คือศีลธรรมเนี่ยความเมตตาเนี่ย เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะอะไรเพราะความเมตตาใจนี้แหละแผ่เมตตาไปสิแต่อย่าไปแผ่แบบอยู่คนเดียวแผ่มันต้องแผ่เวลาอยู่กับคนเวลาอยู่คนเดียวมันไม่ได้แผ่มันไม่ไม่มีคนรับไม่มีอะไรจะให้เขาแล้วจะไปแผ่ได้ไงมันต้องแผ่ตอนเนี้ยเนี่ยี่ก็แผ่เมตตาอยู่ลูกอ่ะเนี่ยมาพูดทํามให้ฟังอยู่เนี่ย เอาเอาโลดแทงทาใช่ชนะลดท้องปวงมาแจกมาจ่ายกันเนี่ยก็เป็นการแถมเมตตาแล้วอ่มีข้อความเข้ามาเลยคำถามจากในอินบ็อกซ์นะคะจากคุณปุ้ยทำไมถือศีลไม่สำเร็จสักทีคะระอาจารย์เพามันติดนิสัยทําบาปเลยมันก็เลยไม่สำเร็จแล้วก็ไม่มีสติคอยคอยควบคุม แล้วไม่มีความตั้งใจที่แน่วแน่ถ้าลองตั้งใจที่แน่วแน่แล้วมันมันธรรมจะรักษาไม่ได้อันนี้มันแบบโด่แหละคือคือยังไม่ยังไม่เห็นคุณของการรักษาศีลอยังไม่เห็นโทษของการทําผิดศีลก็เลยยังไม่ไม่มีความอย่างอายหรือไม่มีความกลัวของในของผลจากการทําบา ยังไม่มีฮิลิโอตปะฮิลิคือความอายยังหน้าด้านอยู่ยง่ายๆยังด้านที่จะลักขโมยโกหกประพฤติผิดประเวณียังไม่อายถ้าถ้าอยากจะไม่ทำต้องคิดว่า เ, เรานี่มันเราชั่วนะเราทำของวันนี้มันชั่วนะไม่สวยงามนะ ไม่มีใครเขาลักเ้าชอบหรอนะจากการกระทำะบาปนี้แต่เราอยากจะเป็นคนสวยงามเป็นคนที่เขารักชื่นชมยินดีเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้มันต้องมีต้องมีความฮีรีมีความอายในบาปและความกลัวผลของบาปที่ตามมาทำบาปแล้วใจร้อนใจวุ่นวายแล้วดีไม่ดีก็ไปติดคุกติดตารางตายไปก็ไปติดอบายต่อ มันต้องมีเห็นผลของการทำบาปมันถึงจะไม่ไม่เล่นไม่ถือว่าเป็นของเล่นตอนนี้ยังถือว่าเป็นของเล่นอยู่รักษาก็ได้รักษาไม่ได้ก็ไม่ช่างมันพอรูปมากๆอยากได้แนละ้วมากๆก็ก็ไม่รักษามันนะรักษาตอนที่มันไม่รูบครยๆก็รักษาได้เวลาไม่รูบเวลาไม่โกรธมันก็รักษากันได้เวลานอนหลับนี่ก็มีศีลกันโคกันทุกคน มันจะมาทำผิดสิ่ก็ตอนที่มันโลภมันโกรธมันหลงนันแหละคำถามจากคุณปัทมาอยากทราบว่าการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วถ้าผู้นั้นไปเกิดแล้วอยากทราบว่าจะได้รับบุญที่เราอุทิศหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่ได้หรอกเขาก็ไปเกิดแล้วเขาก็ไปหาบุญของเขาเองเขาไปทำบุญของเขาเองไปหากินของเขาเอง ตอนที่เขาไม่มีร่างกายเขาก็ต้องอาศัยบุญเป็นอาหารพอมีร่างกายแล้วเขาก็ไปหากินของเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็หากินของเขาเป็นมนุษย์ก็ไปหากินของเขาเองต่อคำถามจากคุณตุลาการพระอาจารย์ครับจะเริ่ม อ, อาปอ า, าปาปนสติอย่างไรดีครับทําแล้วสงบได้ไม่นานเลยครับก็ไม่มีไม่ดูมันอยู่ตลอดเวลาเนย คือต้องมีสติดูอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาที่เราไม่ได้นั่งเราก็ดูร่างกายก็ได้ดูแทนดูแทนที่จะดูลมเราก็ดูการกระทําของร่างกายการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายพอเราไม่ได้ทําอะไรแล้วนั่งเฉยๆแล้วก็ดูลมต่อไม่ใช่เวลาไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ดูอะไรเลยปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเวลามานั่งมันก็จะลอยไปลอยมาเราต้อง ให้มันดูอะไร ไ, ไว้ตลอดเวลาถ้าเวลาไม่ได้นั่งก็ให้ดูเวลาร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็เฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปพอเวลานั่งร่างกายไม่ได้ทําอะไรแล้วเราก็ดูลมแทนดูลมเข้าลมออกแ <ingo> <o S 2> ทนถ้าเราเฝ้าดูตลอดเวลามันก็จะมันก็จะเฝ้าดูต่อไปได้ถ้าเวลาที่เราไม่ได้นั่งเราไม่ได้เฝ้าดูอะไรเลยปล่อยมันลอยไปลอยมาพอเวลามานั่งมันก็จะลอยต่อ คำถามจากคุณชินวิธีการทําวัดเช้าของคารวะที่ถูกต้องเนื่องจากโยมยังต้องไปทํางานค่ะขอพระอาจารย์เมตตาโปรดให้คําแนะนําเจ้าค่ะก็ไปอยู่วัดสิไปอยู่วัดที่เขามีสอนวิธีทําวัดเช้าวัดเย็นไปศึกษาเขาจะมีบทสวดให้สวดกันคำถามจากคุณสมศรีทําอาหารใส่บาต ท, ทุกวันบางครั้งให้ลูกใส่บ้างให้คุณพ่อใส่บ้าง จะได้บุญเท่ากันหรือว่าระหว่างคนทํากับคนใสหรือเปล่าคะถ้าเป็นของของทุกคนก็ทุกคนก็มีส่วนในบุญนั้นคนทําก็จะได้เพิ่มได้ได้โบนัสจากการที่ได้ทําต้องลงเลี้ยวลงแรงคนที่ไม่ได้ลงเลี้ยวลงแรงก็ได้เฉพาะในส่วนที่เป็นเป็นสมบัติรวมกันเป็นของรวมกันคำถามจากคุณ เราจะเริ่มพิจารณาต้องแน่ใจได้อย่างไรว่าสมาธิเราแนบแน่นหรือยังถ้าเราไม่แน่ใจว่าจิตมั่นคงนิ่งไม่มีคำถามไม่มีความหวั่นไหวไม่ฟุ้งนิ่งนานๆจนเหลือเพียงรู้ว่าเหลือลมอุ่นๆที่ปลายจมูกเป็นข้างคาวอิ่มอยู่ได้นานๆแบบนี้เริ่มพิจารณาได้หรือไม่และสกลายเป็นความคิดอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เวลามันนิ่งไม่คิดไม่ใช่เวลาพิจารณา เวลามันออกจากสมาธิใหม่ๆเป็นเวลาที่เหมาะกับการพิจารณาเพราะตอนนั้นใจยังยังใสยัยงสงบยังเย็นยังเป็นเหตุเป็นผลอยู่ยอมรับความจริงได้ตอนนั้นก็พิจารณาความตายดูถ้าใจออกจากสมาธิใหม่ๆพิจารณาความตายใจมันจะไม่รู้สึกหดหูแต่ถ้าใจไม่สงบนี่มันจะพอคิดถึงความตายมันจะหดหูมันจะกลัว มันจะพิจารณาไม่ได้เหมือนกับเหล็กที่เราไปล้อมไปเผาไฟจะทุบจะตีมันต้องตอนที่เอามาจากไฟเพราะนั้นเหล็กกำลังนิ่มใช่ไหมอยากจะจะจะทุบจะตีให้มันเป็นมีดเป็นอะไรก็ทำได้แต่ถ้าปล่อยให้มันเย็นแล้วไปทุบมันก็ไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วจิตก็เหมือนกันจะล้อมให้จิตมอง เห็นธรรมนี่ต้องหลอบตอนที่ออกจากสมาธิใหม่ๆสอนให้มันดูสุภาดูความแก่ความเจ็บความตายดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆมันจะดูแต่ถ้าเวลามันไม่สงบมันไม่ยอมดูเคยคิดบ้งไเนี่ยเวลาจิตไม่สงบเนี่ยมันคิดแต่จะหาเงินหาทองหาขนมนมเนยหาแฟนหาที่เที่ยวหาอะไรไปอยู่ตลอดเวลามันจะไม่มาคิดถึงความตายกันหรอก ถ้าคิดถึงความตายลําเที่ยวไม่ได้มันก็ไม่อยากจะคิดกันงั้นต้องรอให้ออกจากสมาธิใหม่ๆตอนนั้นจิตเย็นสบายไม่มีกิเลสกิเลสกาลังส ง, สงบตัวอยู่ตอนนั้น่ะเป็นเวลาที่พิจารณาเรื่องของความเป็นจริงต่างๆแต่พอกิเลสมันเริ่มเตินขึ้นมาก็เดี๋ยวก็มันไม่ยอมให้เราพิจารณาล้วจิตจะร้อนขึ้นมาแล้ว มันจะต่อต้านมันจะดึงไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงอะไรต่างๆตอนนั้นก็ต้องหยุดพิจารณาแล้ว ก, กลับไปนั่งสมาธิใหม่ไหมถ้าเป็นเหน็กก็กลับไปเข้าไปในเตาใหม่ไปเผาให้มันนิ่มใหม่แล้วค่อยมาทุบมาตีต่ อ, ตอจนกว่าจะได้รูปได้ร่างที่เราต้องการนะจิตก็เหมือนเหมือนกับ เหมือนกับโลหะที่เราไปหลอมไว้ในไฟเวลาเข้าสมาธิเหมือนเอาเอาจิตไปหลอมไว้ในไฟเอาโลหะไปหลอมไว้ในไฟพอจิตออกจากสมาธิมาตอนนั้นมันกำกลังอ่อนกำลังพร้อมที่จะรับความจริงต่างๆเพราะตอนนั้นกิเลสมันมันยังไม่ได้ตื่นขึ้นมามันยังงวงเงียอยู่ ก็ตอนนั้นเป็นวิธีที่จะทําให้เราดูความจริงได้โดยไม่รู้สึกมีความรู้สึกหงุดหงิดหรือกวาดกลัวหรือไม่อยากดูอะไรทานองนี้แต่ถ้าพอกิเลสออกมาแล้วมันจะไม่ให้เราดูแลให้เราไปดูสุภาพมันไม่ให้ไปละมันให้ไปเปิดหนังสือแฟชั่นแทนนะครัไปเปิดดูหนังสือแล้สุภาพกันานั่งไม่ได้ละไม่มีหรอก ขนาดฟังมากี่วันกี่คืนแล้วก็ไม่ไปเปิดดูกันแต่ถ้าออกจากสมาธิแล้วไปเปิดดูได้เะฉะนั้นการจะเจริญปัญญาการจะศึกษาความจริงของชีวิตนี้ต้องมีจิตใจที่เย็นที่สงบก็ตอนที่ออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่ศึกษาได้แล้วพอมันไม่เย็นไม่สงบก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ทาให้มันเย็นใหม่ แล้วพอมันออกมาก็พิจารณาต่อเหมือนกับการตีเหล็กเอาเหล็กเข้าไปในเตาให้มันให้มันร้อนให้มันนิ่มแล้วเราก็ออกมาทุบมาตีมันพอมันแข็งเราก็เอาเข้าไปใหม่ทำอย่างนี้ไปจงกว่จะได้เหล็กที่เราต้องการได้มีดที่เราต้องการได้ขวานที่เราต้องการได้ค้อนที่เราต้องการใจก็เหมือนกันทำอย่างนี้ไปจนกว่จะได้โซดาจะได้สกิดาคาอาณาคา อาลหาันมันก็ต้องทำแบบนี้นะต้องเข้าสมาธิสลับกับการเจริญปัญญาเวลาออกมาพอเจริญปัญญาพอมันเริ่มแข็งมันเริ่มดื้อไม่ยอมรับธรรมเราก็เอาเข้าไปในสมาธิใหมให้มันให้มันสงบแล้วมันก็จะไม่ดื้อไม่ได้านไม่ต่อต้านความจริงทำไปอย่างนี้จนในที่สุดมันยอมรับความจริงเห็นความจริงปล่อยวางทุกอย่างได้ เตัหหาไดด้มคำถามจากคุณจำปีเวลานอนฝันเห็นแม่ตายายที่ล่วงลับไปแล้วบ่อยๆแต่ไม่สามารถพูดคุยกันได้เพียงได้เห็นว่าเป็นแม่เป็นตาเป็นยายฝันแบบนี้หมายถึงอะไรครับก็เราคิดถึงเขาแล้วก็ฝันไปคิดเขาไม่ได้มาหาเราถ้าเขามาหาเราก็ต้องคุยกันได้แล้ว คุยก็อาจจะเป็นเราเราฝันคุยไปก็ได้ถ้าอยากจะแน่จริงต้องหาวิธีพิสูจน์ให้เขาบอกเขาซ่อนเงินทองไว้ตรงไหนของที่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ตงไหนเขารู้แล้วบอกเราอยู่ตรงไหนแล้วเราไปหาหนอถ้าเราไปเจอของที่เขาบอกนี้แสดงว่าเขามาจริงมันต้องหาวิธีพิสูจน์ความฝันนี่มันเป็นความคิดของเราก็ได้เป็นความจริงก็ได้ เราไม่รู้เราต้องหาหามาตรการพิสูจน์ดูแค่ให้เขาบอกว่าซ่อนเงินไว้ตรงไหนบ้างหรือเปล่าเก็บของอะไรไว้ตรงไหนที่ไม่มีใครรู้เปล่าจะได้รู้ว่าเขามาจริงถ้าคุยกันได้ก็บอก แ, แม่แ ม, แม่หนูอยากจะพิสูจน์ว่าแม่มาจริงหรือเปล่าแม่มีอะไรบอกให้หนูไปพิสูจน์ได้ไหมถ้าแม่บอกเออแม่ลืมหวีไว้ตรงนี้ไปดูสิยังอยู่หรือเปล่า ถ้าไปเปิดดูเอายังอยู่เลยวะไม่มีใครรู้นี่แสดงว่ามาจริงคําถามจากคุณชินขอกราบทียนถามพระอาจารย์วิธีการทําอุเบกขาเจ้าค่ะบางครั้งโยมต้องใช้วิธีสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะถ้าทําได้มันก็ถูกนะมันไม่สักแต่ว่าเห็นนะเห็นแล้วก็ดิ้นอยู่ในใจเครียดอยู่ในใจโกรธอยู่ในใจ มันยังไม่สักแต่ว่าเห็นถ้าสักแต่ว่าเห็นมันต้องเบาไม่มีอารมณ์ในใจเลยมันต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบมันถึงจะเป็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้จริงๆตอนนั้นใจมันจะเฉยจริงๆไม่มีอารมณ์กับอะไรใครด่าก็เฉยไม่อุดอัดอุดอัดขึ้นมาอยู่ในใจเห็นอะไรอยากได้ก็ไม่เกิดอารมณ์อยากอุดอัดขึ้นมา สักแต่ว่าเห็นแต่ใจมันไม่ยอมเห็นด้วยมันไม่ยอมสักแต่ว่าเห็นด้วยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามล่าสุดได้ทำกุนออกโรงทานแจกอาหารแก่คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าดีใจแต่ก็รู้สึกอีกว่ามันทำให้ร่างกายเราเหนื่อยเสียเวลาในการปฏิบัติภาวนาอยากที่จะภาวนามากกว่าเพราะได้ ไม่ำรางจิตใจมากกว่าอย่างนี้มีความผิดผิดหรือไม่คะอ๋อไม่ผิดหรอกถ้าเราภาวานาแล้วก็เราก็งดการทําทานไว้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันขัดกันงานภาวานากับงานทําทานนี่มันสวนทางกันงานทําทานต้องใช้ร่างกายงานภาวานานี่หยุดร่างกายหยุดความคิดเห็นถ้าเราภาวานาเราก็อย่าเพิ่งไปทําทานหรือจะทําแบบ ง, ง่ายๆก็เขียนเช็คใบเดียวกดมือถือก็ได้ ไม่ถึงนาทีนึงก็เสร็จแล้วกดแสนหนึ่งเลยก็ได้ไม่ต้องไปเหนื่อยโอนเงินเข้าวัดไปเลยโอนเงินเข้าธนาคารของวัดของโรงพยาบาลของใครก็ได้ถ้าเราภาวนาแล้วเราต้องทำบุญแบบนี้ทำบุญแบบไม่มารบกวนการภาวนาของเราคำ ถ, ถามจากคุณโอ๊รบกวนหลวงพ่อสอนวิธีปฏิบัติภาวนาสี่สิบ หรือมีหนังสือเล่มไหนที่สอนวิธีปฏิบัติโดยละเอียดแนะนําใหม่คะก็กูเกิลนี่ไงเข้าไปเลยอยากจะรู้วิธีไหนวิธีปฏิบัติกรรมฐาน40เขียนเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะโผล่มาเยอะแยะไปเดี๋ยวนี้เรามีห้องสมุดอยู่ในมือถือเราแล้วห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่มหาศารเลยความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้มันอยู่ในมือถือของเราแล้วอยู่ในกํามือของเราแล้วแต่ไม่รู้จักใช้กันชอบไปกดเล่นเกมกัน ก็ไปกดซื้อข่าวซื้อของซื้อขนมนมเนยกันอของที่เป็นความรู้เป็นประโยชน์ไม่กดกันคำถามจากคุณอัมภัยเวลาหนูจะนอนจะภาวนาอิติปิโสจนหลับไปจะเป็นอะไรไหมครับก็หลับหรือเปล่าอ่ะเป็นอะไรไม่เห็นเป็นอะไรภาวนาไปจนหลับมันก็หลับมันไม่ได้ภาวนามันไม่ได้สมาธิท่านมันได้หลับถ้าอยากจะ ได้สมาธิก็ต้องนั่งอย่าไปนอนถ้านอนแล้วมันจะหลับถ้านั่งมันก็จะสงบได้เขาคงกลัวเหมือนไม่เขารบอย่างนี้มั้งค่ะอาจารย์อ๋อไม่เป็นไรหรอกการปฏิบัติในในายเรียบทไหนก็ได้อยู่ในห้องน้ําก็ปฏิบัติได้ขณะที่ถ่ายก็พิจารณารมได้เนี่ยทุกอย่างมันไม่มันถ้าเป็นธรรมแล้วมันไม่มีเรื่องของความเคารบแล้วไม่เคารบหรอก แต่ถ้าเราอยู่ต่อหน้าสาสาธารณชนอยู่หน้าคนอื่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งเขามีกฎมีระเบียบก็ต้องต้องทำตามกฎตามระเบียบไม่ใช่นอนอยู่หน้าพระแล้วก็เอาเท้าเหยียดควยหาพระแล้วก็สวดอิติปิโสอย่างนี้มันก็ไม่สวยงามแต่ถ้าเราอยู่ของเราคนเดียวไม่ได้มีพระพุทธรูปไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเราไม่มีใครเห็นอะไรเราแล้วนอนแล้วเราก็อิติปิโสไปก็ไม่มีปัญหาเลย อยู่ในห้องน้ำก็เอทีปิโสได้ถ่ายไม่ออกก็เอทีปิโสก็ได้เผื่อมันจะออกขึ้นมาก็ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกลับเรียนว่าพบว่าจิตอยู่กับฐานผู้รู้แม้ในขณะที่เคลื่อนไหวทำงานอยู่คำถามคือหนึ่งสภาวะนั้นเป็นมรรคหรือไม่คะ เวลาก็ช่างหัวหมันขอให้มันสงบให้มันมีความสุขก็ใช้ได้เราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้รั่วมันเป็นมรรคหรือเป็นผลเราภาวนาเพื่อให้รว่ามันสุขแล้วไม่สุขขอคําอธิบายคําว่ามัศมังคีก็ไปในก o เกิลเลยเขียนเข้าไปเลยหมดแล้วใช่ไหมมีใครใหญ่กระเทายัางไ